ญ า, าโยมพุทธบริสัต์ทั้งหลายวันก่อนขึ้นต้นว่าวันบันทึกเป็นวันวันอังคารที่13พฤศจิกายน2514เป็นการบันทึกหนังสือเป็นวันที่3แต่ว่าเพราะว่าไม่ได้หน่อยก็เลยมาเจอดีกันเข้าเพราะอะไรจะถือว่ารมค้างนะไม่ค้าง เจ้าพูดได้สร้าง ก, กำลังใจว่าเวลานี้ต่อไปเราจะไม่ก้มหัวให้แก่คนเลวเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้วางไว้เพื่อให้คนเลวอาศัยแต่ถ้าคนเลวมามีอานาจเราก็จะก้มหัวให้โชวขณะหนึ่งเพื่อยากจะรู้ว่าเขา อ, อะไรเขาจะดีเห็นว่ายิ่งก้มหัวให้เท่าไหร่ก็ยิ่งเลวมากเท่านั้น ต่อตนี้ไปเราจะก็จะเพเยหัวขึ้นและก็จะไม่โชว์ขึ้นแต่หัวข้างบนหัวข้างล่างคือหัวเขา่าแล้วก็หัวแม่เท้าก็จะโชว์ขึ้นด้วยเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้มาแต่หัวที่เรียกกัว่าศีรษะพ่อให้หัวเข่ามันด้วยให้หัวแม่เท้ามาด้วยเป็นนั้นว่าต่อ น, นี้ไปเราจะใช้ทั้งสามหัว ถ้าคนดีเราก็จะก้มหัวบนให้ถ้าคนไม่ดีเราก็จะยกหัวล่างขึ้นมาให้เป็นนั้นว่าหัวล่างคือหัวเข่ากับหัวไม่เท้าเรารู้แล้วเราทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วสี่สิบปีเสร็จมาตอนหลังนี่เราลองทุกอย่างลองไหวลองเคารพแต่ว่าเราก็เจอกับคนเลว การครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเิ่นนั้นถ้าเราคือคบหาสมาคมกับคนเลวเราก็จงหลงต้องเลวไปด้วยตอนนี้ไปก็จะมาคุยกันเนระืองการตอนบทตอนบทอาตมาเป็นพระบรรณอกคือเป็นพระอำเภอเสวัชบานครอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียอยุธยา การที่เขาจะบวชเป็นสมเด็จเป็นเบครูเป็นเจ้าคุณเขาจะบวชกันยังไงแต่มาไม่ทราบเขาจะสอนกันแบบไหนไม่ทราบก็จะขอนําเอาปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานก่อนจะบวชหลวงพ่อปานให้ทํำยังไงแล้วเมื่อบวชแล้วยังไงจะตรงกับติยาสัยของบรรดาคนเลวทั้งหลายได้ไหมแต่มาไม่รู้เอาแต่เพียงว่า ท่านสอนมายังไงจะกล่าวโดยย่อแต่นังสือเขียนไว้ว่ายังไงบ้างยังไม่ทราบราะว่านังสือนี้เขาพิมพ์แล้วก็ไม่เคยได้อ่านอลองอ่านต่อไปตามนังสือว่าวันนี้ตรงกับวันคานที่13พฤศจิกายน2514เป็นวันที่3ารองการบันทึกความทรงจาการเขียนกำหนดแน่นอนไม่ได้เพราะว่าถ้าว่างก็เขียน สบายใจก็เขียนถ้าไม่ว่างนะสบายใจก็ไม่เขียนเพราะไม่มีใครเป็นเทวดามาังคับ <c oughs> สุดแล้วแต่รมคนลุงตาแก่คนหนึ่งการเขียนนี้ก็ตั้งใจจะเขียนไม่มากนะักเพราะหนังสีหนาถ้าหนังสีหนามากท่ า, น, า น, น, นอ่านนานจบคนก็ขี้เกียจอ่านแต่บริการนี้สองก็เปลืองเงิน คนออกสตางค่าพิมพ์ถ้าเขียนยาวไปก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่ใช่หนังสือไม่ใช่หนังสือสอนวิชาร่ำรวยและก็ไม่ใช่หนังสือบอกโหวยบอกโกเขียนไปก็ไรประโยชน์จะเขียนเท่าที่พอใจไงนะมาเวลาเขียนน่ไม่มากแต่เวลาพูด ม, มันไม่ใช่จะมากไปหน่อยนะ แต่ก็มันน่าจะมากวันนี้เราจะฟัดกันในตอนนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าอย่าตายก็ต้องตายอย่างหมาคือเราไม่ตายกันอย่างคนเราเรียกว่าไอหมานะ่ยถ้ามันจนกรอกมันสู้ได้ทุกประตูวเวลาเนี่ยแต่มาตกอยู่ในสภาพของหมาจนกรอกเพราะว่าอารัจฉิทั้งหลายล้อมกรอบใกล้เข้ามาแล้วมีปริมาณมากขึ้น ก็จะต้องสู้แล้วก็ดูที่ว่าพระที่เป็นรัชีคือมีความดีในพุทธศาสนาเห็นว่าบรรดารัชีพวกนี้คมเพงนูนตาองค์หนึ่งแล้วท่านจะมีความรู้สึกเป็นยังไงถ้าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเฉยมีขันติอยู่ก็เลิกเคารพกันเลยอาจะมาก็จะขอประกาศคณะข้ อ, อาจะามาขึ้นมาเป็นพุทธนิกาย ไม่ขึงกับนิกยใดๆที่เกาะกินพระพุทธศาสนาโดยเอาเปรียบพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่ามาสอบสวนกันนะถูกดา่ารู้ก็รู้เห็นก็เห็นอย่าทท่าไปไม่รู้นะทุกท่านทุกชัน้นทุกระดับรู้หมดว่าอะไรมันมีอยู่ที่ไหนพบหมดรู้กันหมดอย่ามานั่งถามกันนะให้ทำงานกันไปเลยอย่ามานั่งถาม ทำหูเปน็นนาตาไปไร่ไม่รู้ก็แสดงหูหนวกตาบอดเมื่อไม่มีกำลังใจรับสัมผัสเมื่อคุยนตาหนังสือต่อไปว่าวันนี้จะเขียนเรื่องของเขตผ้ากาสาวพัฒอ๋อเอาลราดูนายโยมนะเวลาที่บวชอาจารย์ด้านสอนยังไงแล้วก็พระที่โยมเห็นน่ะเป็นยังไงอ้าว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของพระบัณ น, นอก เป็นลุงตาองค์หนึ่งคือหลวงพ่อปานวัดบานมโคเวลานั้นท่านก็ไม่มียศถาบรรดาสักอะไรของท่านก็เป็นพระองค์ตาเองคนอื่นไม่จักเ้าเรียกหลวงตาคนที่ก็มีความเคารพหน่อยเขาเรียกหลวงพอ่ออาตมาก็เป็นคนบ้านนอกครูบาอาจารย์ก็เป็นคนบ้านนอกนี่ ในดูพระบรร น, นอกสมัยนั่นเขาบวชกันเขาทำยังไงก่อนย้อนนิดว่าวันนี้ยายเขียนเรื่องการเข้าขีก่กาสาวพัดคือการข้าบวชท่านผู้มีอาจารย์จงทราบเจตนาในการบวชของฉันเสิก่อนนะ่ท่านผู้อ่านนะไม่ใช่อาจารย์ผิดไปว่าท่านผู้อ่านจงมีเจรทราบเจตนาในการบวชของฉันเสีก่อน คนอื่นนี่เขาจะบวชเขามีเจตนาอย่างไรฉันไม่ทราบแต่ว่าฉันบวชฉันมีเจตนาอย่างนี้คือคําว่าฉันเนี่ยคือสี่เตื้อด้วยกันคือไอ้ลิงดําไอ้ลิงเล็กไอ้ลิงขาวและก็ไอ้ลิงเผือกไอ้ลิงเผือกเนี่ยมั น, ม, นมันสิกซะมันหนึ่งมันสามนเวลานี้บวชเข้าป่าไปแล้วเป็นนั้นว่าสี่ลิงเข้าเขตพุทธศาสนา ก็น้าจะเรียกกันว่าสี่สัตว์เดรัจฉานเข้าเขตพระพุทธศาสนาจะลืมนะบรรดาราชีทั้งหลายนะสี่ตัวนี้อดีตเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาไอห ม, มาเนะี่ยเวลาตีมันหนักหนักเข้าเวลาตีที่แรกๆโดมันมั่งดา่ามันมั่งตีมันอาจจะเฉยถ้ามันเจ็บเกินไปแต่มันกัดไม่เลือกนะแล้วก็กัดก็ะไม้ทิ้งชีวิตกันเลย เพราะว่าศัตรูท่าไรมากเก็บไว้ก็เสียศักดิ์ศรีและก็อยสร้างความระยามอภิเรกเกิดในประเทศชาติและศาสนาอาจารย์ไหวทำไมเวลานี้มีมากเลอเกินมีหนักทั้งหนังสือทั้งวิทยุทั้งข่าวสารทั้งปากอะไรต่ออะไรความจริงก็ไม่ไดโกรธส่วนตัวไม่โกรธแต่เสียดายพระพุทธศาสนาเสียดายเอกร้า ي ของประเทศชาติ ว่าคุณลยยำพวกนี้เป็นการบ่อนทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาระบบพระมหากษัตริย์แต่หากว่าพวกเลวเลวพวกนี้ถ้าเป็นพระราชาคณนะไม่ทราบว่าใครเป็นและไม่เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นญาคคุณเวลาเขาจะพูดเขาบอกพีโค่นั่นพีโค่นนี่อะไรนั้เขาก็ไม่รู้แต่หากว่าเขาเป็นพระราชากณนะก็เสียพระเจ้าดผ่นด้วโดยพระเจ้าดินตั้งเห็นไหมทําลายพระมหากษัตริย์ ถ้าเขาทำไม่ดีในพุทธศาสนาให้เจ้บ้านหลงผิดพระศาสนาก็พังไปด้วยและในเมื่อทำไม่ดีขึ้นมาก่กอกระวบขึ้นมาที่คนชั่วเห็นว่าดีคนก็แยกกันออกเป็นสองพวกสามพวกแตกความสามกีนี่ใช่ก็สลายบรรดารลวงพ่อทั้งหลายที่ถาวายกล่าวนามมาแล้วแล้วก็ท่านที่ไม่กล่าวนามอีกเยอะเป็นร้อยที่ดีเนะี่ย เวลานี้ออกโรงกันมั่งนี้ยังมาออกไม่ไหวก็รลกสิษ์ทุกหาที่ดีนี่ปลอยออกโรงกันมาสะบ้างเพราะอะไรมาช่วยกันรักษาชาติศาสนาและศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะได้มีความสุขและมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจดี ลอยให้คนได้ยำอปรีที่มีอำนาจอยู่เวลานี้นะมันจะเกิดประโยชน์ท่านเห็นกับเขาด้วยไหมหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีอะไรไมากระทบกับท่านกับผมและท่านก็ยังเฉยผมก็เยาวางความเคารพในบรรดาผู้ท่านเสียหมดด้วยโดยจะแยกตัวออกมาเป็นพุทธนิกาย เอาวันนี้ใคะว่าเป็นสัตติฉันก็เป็นไม่ใครก็ไม่ได้ว่ากับประกาศตัวแล้วเป็นสัตติฉันหมามันเห่าไม่ไม่ไม่เล็ไม่เล็ดทีเอาว่ากันตอนไหนล่ะมันลืมไปอีกแล้วอ้าวแล้วกันเอาตอนนี้ก็แล้วกันว่าแต่ฉันบวชฉันก็มีเจตนาอย่างนี้คือหนึ่งไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุก็บวชอย่างเขาไม่เอา นี่สี่ตัวนะลิงสี่สัตติชานันเขาต่างใจวันหนึ่งเราจะไม่บวชตามประเพณีให้บวชตามประเพณีนะมันบวชเป็นสัตว์นรกอย่างเจ้าคุณนรกองค์นั้นแล้วก่อนที่จะบวชฉันก็อยากจะหาอาจารย์ต่อวิชาให้ฉันต่อวิชาอะไรก็ไปได้แต่นรกอย่างเดียว แล้วก็ลงไปในเขตนรกกวัวด่แต่วันนั่งจ้ออยู่บนยอดเขาแกต้องการดูนรกคุมไหนลุงก็เรียกนรกมา อ, อไอแบบนี้เขาจะหาว่าบ้าก็ตามจ๊ะอานาาความเป็นทิพย์ศึกษากำไว้สมั่งน้ำพระนะอาทิศีนสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจำไว้คนที่ปากหมา ที่ต่อต้านการกระทำดีของคนเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปนรกได้ไปเปรตได้ไปสุรกายได้ต่อต้านว่าไม่มีจริงสแสดงว่าเจ้าคนนั้นไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาพระทำลายาศาสนาลืมหลักสูตรสุขวิปัสสโกตีวิโชชะลัพิญโยปฏิสัมิทัปโตเสียแล้วหรือ อ่านรู้มั่งรึเปล่าก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์เขานั้นอ่านมั่งรึเปล่าก่อนที่จะเป็นครูเขาเนี่ยควรจะอ่านให้เข้าใจสับ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาทําได้ยังไงกับสอนแบบนั้นอย่างอื่นมันไม่มีดูตำราบแบบนี้พอเรียนนักทําโทก็รู้เรื่องแล้วนี่พวกครูนะแต่ดันอ่านก็พบไม่ตรงเรียน เป็นนั้นว่าเจ้าต้องการต่อวิชาคืออยากจะลงไปในขุมนรกจะไปในแดนเปรตจะไปนดูสุรกายดูสัมบเวสีดูภูมิเทวดาดูรุกขเทวดาดูากาศเทวดาทุกชั้นอยากจะดูภูมทุกชั้นแม้แต่รูปภูมและก็อยากจะรู้สภาวะปณิพันธ์นี่ต้องการต่อวิชานี้ เพราะว่าปกติฉันเที่ยวแดนนรกแต่ก็ไปเขียดแดนนรกกับในแดนนร ก, กลงไปไปิสระไม่ได้ยังเข้าเขียดแดนรกจริงก็ไม่ได้นี่ตามสียงเมื่อกี้ต่อจากเสีเมื่อไปถึงชายแดนก็ต้องนั่งจ้องคอยท่านหลวงอยากเจนอะไรก็ต้องนึกให้ภาพนั้นมาปรากฏที่ขาดแตนความจริงมันก็ดีไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมีงโง่อยากจะไป มันก็เป็นยานี้มาสิบปีเสร็จเรื่องของคนที่มีตัณหาบาังคับสั้นดานมันก็มีคำว่าพอที่ไหนนี่ว่าตัวเองนะเวลานี้ท่านกาลังฟังสัตย์เดฉานคือลิงพูดแต่ว่าไม่เป็นลิงอย่างเดียวบางจังหวะเป็นหมาด้วยหมาตัวนี้เวลานี้เห่า แต่ก็เห่ากำลังพร้อมที่จะกัดสัตว์ในฉานที่มันเป็นศัตรูกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในเมื่อมันแก่แล้วตอนหนุ่มเราสังหารคนเลวได้เวลานี้แก่เราก็ต้องสังหารคนทําลายราะศาสนาได้แต่ว่าการสังหารนี่เราจะไม่ใช่อาวุธแต่อวุธที่จะสังหารนี่ไม่ใช่อาวุธที่ฆ่ากัน แต่ก็จะสังหารให้โดยการให้คนเข้าใจความเป็นจริงว่าพระที่จะบวชเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช้อะไรกันเขาบวชเข้ามาทาไมาตามที่ภาษาที่บวชท่านบอกว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อความรักในเพศไม่มีเชื้อในความโลภไม่มีเชื้อในความโกรธไม่มีเชื้อในความหลง ไม่มีเชื่อในโลกธรรมคือไม่เมาในลาบและก็มีเสียใจมื่ลาบสลายตัวไปไม่มีความปรารถนาในยุศฐาบรรดาศักถ้าบังเอิญท่านจะปราท่านจะถวายยศธาบรรดาศักเมื่อยศักสลายไปก็ไม่หนักใจและไม่บ้ายศคือไม่เมาในกามัสุขไม่เสียใจในทุกเกิดขึ้นไม่เสเทือนใจเมื่อคํานินทามาถึงไม่ดีใจเมื่อสรรเสริญมาถึง นี่เรื่องย่อของพระเขามีธรรมเนียมใ น, ะนอย่างย่อนะไม่ใช่อย่างพิสดารถ้าอย่างย่อนี่ยังไม่มีเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าอารัชีอารัชีเป็นวรนาถด้านไม่มีความอายอายตรงไหนพระเขาอายคือหิริอายความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วไม่มัวเมายินราบยศสรันสนศกนี่พระพระญาติโยมควรไว้ ถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไหวแล้วก็ไม่ควรให้อะไรกินเลยอย่าไป น, นึกว่าช่วยช่างชีดีท้างสงเรามาช่วยกันจะโลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมให้ทรงตัวอยู่ร่วมพวกนี้เป็นการทำลายสามัคคีทําคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกเอาละตอนนี้ถ้าใครแหลมเข้ามานัตนบัตนี้เป็นต้นไปล่อ ก, กันมันหุยเฮี้ยนไปข้างหนึ่ง คือไม่ใช่โย่นะล่อกันให้มันเฮี้ยนไปข้างหนึ่งดูกันมานานแล้วเอ้าเลยนางเสืออีกแล้วนางเสือมันหายอีะเนาเจอไหนน่าเป็นนั้นว่าเรื่องของคนที่มีตันหาอย่างเจ้าลิงสี่ตัวใครจะบังคับบรรดามันว่ามันดีได้ไอ้คำว่าพอมันจะมีที่ไหนมันไปได้แค่เขตนรกมันก็อยากจะลงนรก อย่ากเรยรู้เจอเปรตสุรกายสติไรฉันสัมบเวสีภูมิเทวดาลุคเทวดาภูมิเทวดาที่เจ้าตัวเลยย้ำคนห น, นึ่งเนยเขาว่าไม่มีเทวดาไม่มีนี่พระพุทธเจา้าทนว่ามีนะเบิกหูเบิกตาดูกันซะมั่งนะต่อไปอนานังสือเห็นได้นเห็นเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วก็มีความพอใจมหรั ตัวว่านรกเห็นได้รู้ได้แต่มันก็ไม่พอใจเพราะมันมีตัณหาตัว น, นั้นนะอยากจะลงไปเท่านรกตัวตนเองก็ไม่กล้าไปเพราะว่าท่านลุงท่านสั่งไม่ว่าจงอย่าไปนะไม่ท่านไม่ให้ไปท่านห้ามไว้ความดีเขาท่านลุงนี่ฉันก็ลืมไม่ได้ฉันมีทุระไปกวนท่านทุกวันไปทุกวัน ถ้าท่านยายชอบฟังเรื่องคนลงนรกเวลานี้มันน่าจะลงไปตรวจว่าสัตว์นรกตนใดบ้างที่มีมันชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แหมมันน่าจะเขียนสักเล่มมันดีไหมดีไหมท่านยายยอมมาฟังยายจะเขียนว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่มีลีลาเป็นสัตว์นรกมีบัญชียอยู่ในเมืองนรกมันมีใครมั่งมันน่าจะเขียนสักเล่มนะ่ะ เป็นนั้นว่าต่อไปแล้ก็ชอบถามว่าเขาว่าทำบาปอะไรจรึงลงนรกแล้วก็ถามต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้โดยการทำบุญอะไรในเวลานั้นดิงข่าวพระนา euh, พระมุคลาท่านอยู่บ้างพระมารไหลเขาสวดพระมารไหลก็ อ, าาย อ, อยากจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องกลายเป็นพระมนรไหลลอยไปลอยมาแล้วหวาง น, นรกกลับมนุษย์เป็นกิจประจาวัน ท่านยายเมื่อทราบว่าใครลงนรกและข่าวพวกนั้นอยู่ไม่ไกลท่านก็มักจะไปสอบถามญาติของคนที่ลงนรกว่าเมื่อก่อนตายคนนี้ตายชอบทำบาปอย่างนี้เคยทราบไหมหรือเปล่าเมื่อเจอภาพรับว่าเคยทำท่านก็จัดแจงทำบุญทงกุศลสงเคราะห์ทันทีแม้ตัวต่านเองก็เกาะลงพ่อปานแจ เรียนเพื่อกรรมฐ า, านและร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นประจำท่านหายใจเป็นหวปานทุกวันอะไรอะไรท่านก็บอกว่าหลวงพ่อปานบอกท่านมาเอาท่านกโฆษณาหลวงพ่อปานแล้วก็เอาท่านทําตามทุกอย่างมีอย่างเดียวที่หลวงพ่อปานไม่บอกท่านดีหลวงพ่อปานไม่บอกแต่ว่าท่านก็ทําคือมา อ่านหนังสือนี่มันเรียบร้อยจริงนะแต่วิตอนพูดในไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันโดนไอ้พวกไดยำนี่หล่อใส่ช้ำช้ำนี่เรื่องส่วนตัวไม่โกรธแต่ว่าเรื่องศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ยอมบอกกันไว้เส้นด้วยนะว่าใครเข้ามาที่วัดเนี่ยวัดท่าสงยาชวงวงเข้ามานะ่ะ ไม่เคยเห็นว่างงสูงดูอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาและก็ดูจริยาที่ปฏิบัติมาว่าควรจะรับแบบไหนเจยนาบาังท่านมาไม่มีเสือให้นั่งมาอย่างไรถ้าแบกยศขึ้นมาแล้วก็เสร็จมีโยมคนหนึ่งพาพระองค์หนึ่งมาบอกว่าท่านไปอยู่ที่เมืองนอกมา ได้ปณิยามาจากเมืองนอกเวลานี้ท่านเป็นมะครูแล้วยอมคนจะคิดว่าไอ้วัดนี้เนี่ยเขาเมาพระครูแล้วนั่งก็ดูท่าว่าดูท่าว่าท่านก็ไม่มีอะไรนะรท่านก็คงจะนิดว่าเป็นมะครูมันโกไอ้พระบรรนอกคงจะชอบพระครูแล้วเกรงพระครูแอบเปล่ายิงรงานยศเสร็จไม่จัดที่ให้นั่งเลย แก็บอกว่านิมนต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่นี่มันวัดพระนั่งได้นี่อย่าลืมนะเขาทํากันเงี้ยก็อย่าเอากระโข่อาเอายศมันมานมาก็มากันอย่างเป็นพระไอ้นั่นมันโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้วางทิ้งทำไมจะแบกกันไปแบกกันมาโยอมก็เทอทูลนบโถเอ้ยมันมีอะไรกันนักหนานะ ยศถานมันดาศักว์เนี่ยเวลานี้ไม่ได้เห็นว่ามันดีเลยมันดูคนเท่านั้นมันด้ดูยศ ด, ดูว่าศีลสมบูรณ์ไหมสมาธิมีฌานสมาบัติไหมมีปัจฉนาญาณตัดสัญญาณได้เท่าไรเขาดูก็ตรงนี้จะไปแบกเอายศไปอวดเขาเมื่อแบบพวกกินกาได้ทองะไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะเคารพไงก็เชิญแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวเอาคุยไปคือสิ่งที่นลวงพ่อาปานไม่ได้บอกท่านราทําคือเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชู้นี่นี่ตอนนี้มาเจอดีเขาแล้วแล้วตอนเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูคือท่านน้าแล้วก็ท่านหลานนะท่านน้าสองคนแล้วก็ท่านหลานอีกหนึ่งคน นาสองคนนี่คือน่า อ, อตัตมาหลานหนึ่งคนก็คืออัตมาถ้าสองคนนี่เขียนไม่อย่างดีนะไม่น่าจะเขียนแบบนี้เลยว่าเป็นคนมีเมตตาสูงสงเคราะห์สาวเรื่อยตลอดมาเอ๊ะก็ความจริงนายเห็นใจเขานะเขาก็ได้ร้อนนะคือพยายามหาเมีย ม, มาฝากแม่ไม่รู้ว่ากี่คนนี่น่าเนะนี่ยนาด้วย ท่านนะ้านหหาเมียมาฝากแม่โอ้เยอะจริงๆบางทีเอาเมียมาเด็กๆบอกอ้อยกินยังไม่เป็นอายุทิ1สามทิดสี่แม่ผัวต้องบอกอ้ยอยๆให้กินเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ามาเหม่อม้คอยคนก็ชอบจริงๆท่านสวยหน้าท่านสวยและมีลีลาดีเมื่อท่านนำมาท่านก็รับประครับประคองให้เสมอไหมว่า ถ้าลูกนำลูกสะพายมาให้จะเป็นหน้าไหนก็ตามช่างท่านตีว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเมือนนำมาแล้วท่านก็รับประคับประคองแบบเป็นลูกลูกนั้นลูกนี้ไม่เคยแสดงอาการังเกียจจะมีฐานะเป็นชั้นใดถ้าไม่จิดท่านคิดอย่างเดียวเขาเป็นคนท่านก็นึกว่าถ้าว่าท่านโดนแบบนี้บ้างถ้าทางบ้านไม่ต้อนรับท่านจะทเอาท่านจะทำแบบไหนท่านก็ไม่สบาย เป็นอะไบางอะไรนั้นนี่เอาเอาพูดซ้ําไปแล้วยังเป็นเด็กแม่ผัวต้องปลอกอ้อยให้ลูกสะภ้ายกินก็มีก็เมื่อท่านสั่งให้ลูกสะภ้ยปอกอ้อยให้ไดงกินคนลูกสะภ้เกิดปอกอ้อยไม่เป็นมันเด็กจัดภาระ ก, การปอกอ้อยก็เลยต้องเป็นภาระของแม่ผัวเมื่อมีสาวน้อยแล้วก็สาวมากมาบ้านมาถาม มาถามหาท่านนาหรือว่าถามหาเจ้าเล็กท่านกำลังจะออกปากบอกว่าเจ้าสองคนหมายถึงว่านาณานีา่ยสองคนนะหรือว่าเจ้าเล็กมันไปทําอะไรเองบ้างถ้ามันไปทําอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีคันเองบอกแม่นะลูกบอกแม่นะทำไมเองท่าน ล, ลูกบอกแม่นะแม่จะรับภาระเอง แล้วท่านแรากาศเป็นกฎของท่านขึ้นมาว่าเจ้าสองคนคือเจ้าน้าสองและก็เจ้าหลานหนึ่งเจ้าสามคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชูถ้ามีใครเข้ามาแจ้งว่าพวกเองสามคนเนี่ยไปทำให้เขาตั้งท้องขึ้นมาไรฉันจะรับทันทีโดยที่พวกเจ้าจะค้านไม่ได้นี่เป็นกฎของท่านยายโอ้โหกฎเจ๋า ดีสบายสบายโก้ได้แคท่านก็ทําทจริงตามที่ท่านพูดเมื่อมีใครมาแจ้งว่าท่านน้ย่องไปทําให้แกมีลกูกท่านก็ไม่ยอมสอบสวนเลยท่านรับทันทีเอาสิไม่แล้วเมื่อท่านนากลับมาจากทํางานนี่เป็นข่านรายการในการทั้งหมดนะเกิดสอบถามท่านนาก็ปรากฏว่าท่านนาก็นดีจริงๆเอา เมื่อไปทำเขาใ้อ้วนกันมาถ้าก็รับไว้วิตามินที่จ่ายเขาไปให้อ้วนเนี่ยคือผมเองก็รับรับทุกรายเหมือนกันเป็นว่าจาเลยทำเป็นว่าจำเลยทำเป็นปกติเมื่อศาล ร, รับฟ้องก็ไม่ต้องสอบสวนจำเลยที่มันจริงทุกรายเขาฟ้องที่รายจริงทุรายสำหรับรายการของเจ้าเล็กคือเจ้าจอมทุกสน อันนี้ก็จอมมันลูกหลานนาแต่ได้ว่ามียาวิเศษไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องรักษาก็ไม่มีใครมีลูกยานี้ผิดมันขึ้นมาเองทำมันขึ้นมาเองท่านยายก็เลยไม่ต้องแบกภาระการรับลูกสะั้ยเป็นสารณะเหมือนเป็นสารณะนะ อันนี้หลวงพ่อปานให้ม่ได้สั่งไม่ได้สอนมาแต่ว่าท่านทําของท่านเองเพราะว่าท่านมีเมตตาคือพระมีหางสีแล้วก็เว้นอกติเมื่อท่านอาจารย์ทราบปฏิปทาเข้าก็ชมเชยเป็นการใหญ่ท่านก็เลยทําใหญ่หลวงพ่อปานชมใหญ่ท่านใหญ่ก็ทําใหญ่รับดะ ประกาศไอ้เจ้าเล็กนี่ก็เหมือนกันนะเองไปทําใครเขาท่อมาเขารายงานมาอะไรใหญ่ยยรับมานั้นแม่ก็ประกาศโดยเอา้ทาทําแม่ทายาย่านใหญชอบรับรลูกสะภ้ายหลังสะพ้าเราก็หามันใหญ่มันก็หมดเรื่องแต่เงิบอกว่าที่ท่านทํานะท่านเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ประสงค์ชื่อเสียงในความดีความเด่นอะไรแม่ยอมไหม วันนี้นึกว่าจะเอาเรียบร้อยทุยอย่างมันก็เรียบดีแล้วเรียบเหมาะกับสมัยเรียบเหมาะกับที่พระที่เขาทรงสักบางท่านออกสถานีวิทยุว่าปฏิบัท่าที่หลวงพ่อปานสอนถ้าพระสิอานลงมาแล้วก็ท่านไม่เรียนไอ้ น, นี่ถ้าคนไม่บ้าเขาไม่พูดงั้นนะพระสิอานท่านจบพุทธภูมิแล้วเหลือจะตัดเ ป, เป็นพระพุทธเจ้า นี่คนบ้าแล้วมันพูดอย่างนั้นไปคนนี้เห็นผีในวรรดาเป็นโอเป็นโ อ, อ, น อ, อภาษ์นี่ไม่ได้รู้กอไม่ได้รู้ขอเลยมันเหมาะกับวิสัยดีไหมลีลากันออกเสียงไม่เหมือนหนังสือเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆนะไม่ว่าหน้าไหนถ้าผิดธรรมผิดวินัยขาดศีลสมาธิปัญญามาอะไราได้รู้ดีกันนะตอนนี้ เอากันให้มันแน่เปิดทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ไอ้พวกนี้มันทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ทําลายคนไทยดังชาติอรัรมันดาญาโยมพุทธบริษัทพูดกันพอหอมปากหอมคอนะถ้าเวลาเจอกันกันจะสวยกว่า น, นี้วันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีเดบรรดาแทนพุทธศาสนชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปร่งชนชาวไทยแต่บุคคลผู้ใดผู้หวังทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปร่งชนชาวไทยขอท่านผู้นั้นจงมีความสุขใหญ่ในโล ก, กันเหลือกเวจีมหานรกสวัสดี